พระธรรมเทศนาแผ่นที่86ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีสแสดงธรรมในวันที่5มกราคม2559นมีชื่อเรื่องว่าเมื่ออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ วันนี้เป็นวันที่ห้ามกราคมพุทธศักราช2559หปีใหม่มาได้ห้าวันะนะคณะทายาิโยมโลูกหลานแต่ลุมวันนี้หลวงพ่อกับคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่วัดของเราเมื่อฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะออกเดินทางไปทาง ดินก็มีไปทางอากาศก็มีนะไปทางบินไปทางดินก็คือรถจะมารับทางบินกับหลวงพ่อกคงจะไปขึ้นเครื่องแต่ไปนี่ในที่เดียวกันคือโรงพยาบาลวันสถาปนาโรงพยาบาลอนันทะมหิดลประจำปีพุทธศักราช2559ห้า้ห้าสิบเกวันที่หมกราคม 59เนี่ยหลวงพ่อจะไปนในงานนี้คือท่านผ อ, อผลตรีวิสุทธ์ศรีจันทราพันธ์ผ อ, อโรงพยาบาลขา่าโรงพยาบาลอนันทะท่านนิมนต์หลวงพอ่อคงจะได้ลงไปในรับนิมนต์ พระสงฆ์ทั้งหมด9้ารูปแต่ที่แรกว่าจะเอาพระทางนู้นอีกเสริมอีกหลวงพ่อจะไปทางนี้แต่ว่าทางนู้นไม่พร้อมเ ม, อเมื่อไม่พร้อมแล้วก็เอาเอาจากวัดของเราไปแต่กระทางนู้นขึ้นมารับทั้งหมดพระเก้ารูปเก้าองค์ที่จะเดินทางวันวันนี้ถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็คงจะกลับ วันพรุ่งนี้นะกับวัด น, ะนี่ะพระเดนลูกหลานทุกองแต่ว่าเรื่องการบวชก็ทราบว่าบวดพระสององค์ก็คงเป็นวันที่เจดที่หลวงพ่อทราบจากพระพีเลี้ยงพระฝึกหัดนาคเอาหลวลงพ่อก็คงจะกลับขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรนะ ถ้ามันถ้ามันมีอะไรกับพวกทันทั้งหลายนะอยู่ในวัดเขาช่วยๆกันจัดการไปเลยหลวงพ่อขึ้นมายังค่อยว่ากันอกีกเพราะว่าจะคอยหลวงพ่อคอยหลวงพ่อองค์เดียวคงไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะนะั่นแหละพอไหนพอจะทําได้เออเอาทายาทโยมพระในวัดของหลวงพ่อนะ่ะลองพ่อก็ฝึกหัดมารู้เรื่องราวมาจน พอตัวแล้วบางเสียงบางอย่างกันเรียนให้หลวงพ่อทราบหลวงพ่ออนุมัติแล้วคือ อ, อ๋อดำเนินการต่อไปอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ที่วัดวาศาสนาแต่หลวงพ่อ เ, เองก็ไม่ได้ควบคุมมีแต่ว่ารักษากฎระเบียบเท่านั้นเองถ้าว่ามีกฎระเบียบมันแปลกแหวกแนวไปอันนั้นหลวงพ่อต้องดู เพราะเหตุว่าวัดวาศาสนาพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาใหม่เข้ามาศึกษาใหม่จะไปทําอะไรำำตามอําเภอใจทําตามมัทธาใจไม่ได้ต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้ใหญ่ต้องมีผู้ปกครองถ้าอย่างหลวงพอ่อหลวงพ่อก็จะต้องดูพระของหลวงพ่อทุกองศรัทธาญาติโยมของหลวงพ่อทุกคนที่มาเกี่ยวข้องในวัด ถ้าหากว่าทำสิ่งไหนที่มันไม่ถูกพวกเรามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลวงพ่อจะต้องแนะนำบอกกล่าวให้ในทางที่ถูกอันนี้มันไม่ถูกนะลูกหลานนะอันนี้มันถูกนะอันนี้ไปตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราไนดะ้อันนี้ไม่ถูกนะหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อเขาบอกแต่ตามไม่จริง แนวความคิดอย่างอื่นที่มันถูกหลักธรรมวินยัยไม่มีอะไรพวกเราก็ปฏิบัติไปสรุปแล้วก็คือเพื่อความผาสุก ข, ของหมู่คณะเพื่อความผาสุก ข, ของพระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ด้วยกันคือมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังเดียวแบบเดียวกันเหมือนกับเราเดินหรือออกกำลังกายอย่างนั้นแหละ หลือว่าขี่จักรยานพร้อมกันดังลักษณะอย่างนั้นแต่คนหนึ่งไปเบียดหน้าเบียดหลังทำให้คนอื่นลำคาญเรอดร้อนอผู้เป็นจ้าฝูงก็ต้องบอกเอ้ยทำอย่างงั้นไม่ถูกนะเดินไปตามแถวตามแนวนะต้องขี่ไปตามนั้นนะจะไป เ, เบียดหน้าเบียดหลังไม่ได้นะแต่ถ้าไม่มี ว่ามีหัวหน้าบอกอต่างคนก็ต่างเบียดกันตัวเองคิดว่ามันไม่ผิดแต่ว่าดูแล้วมันผิดกฎและเบียบของกลุ่มชุมชนในการเป็นอยู่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนะี่ยที่เป็นหัวหน้าจะต้องดูแต่ถึงยังไงก็ตามลูกศิษย์ลูกหาที่ได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นระยะเ ว, เวลายาวนานนะ เออที่หลวงพ่อก็เหมือนกันที่เขาไปศึกษากับองค์หลวงตาพระเนนทุกองค์ก็เหมือนกันที่เขาไปศึกษากับท่านแต่บางองค์บางท่านกนนั้นหลบหลบซ่อ น, อนๆกลัวท่านไม่กล้าเข้าไปใกล้แต่ตามไม่จริงหลวงปู่ล่าเนี่ยสอนสอนสมัยเ네นนอินนะสอนเ네นรอินบอกว่า เวลาเข้าไปวัดครูบาอาจารย์จะเป็นมัธยวัดไหนก็ตามถ้าเข้าไปเพื่อการศึกษาแล้วต้องเข้าไปใกล้สั้นขั้นนะไปอยู่ไกลถึงจะดูด่าท่านก็ไม่กินหนกมิถันดูด่าว่าเราเป็นคนดีเราต้องให้ยอมอให้ยอมว่าเพื่อเราเข้ามาเรามาเพื่อการศึกษา เ, เราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่น เ, เราเนี่ยเจตนาดีอย่างนั้นเข้าไปเถอะ อครูบาอาจารย์ท่านไม่กินหรอกท่านไม่ฆ่าไม่ตีหรอกมีแต่ท่านดุเถอะนะดุดาดูให้ดีดุเพื่อจะให้เราดีมันไม่ไม่ใช่ดุเพื่อจะให้เราเสียหายนี่แหละอันนี้ อ, อหลวงปู่ล่าสอนหลวงพ่อสมัยเป็นเนเนียว่าหลวงพ่อยังบอกว่าหลวงปู่ล่าเนี่ยสอนทุกสิ่งทุกอย่างในการวางตัว่ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงเข้ามาหาครูบาอาจารย์องค์ไหนหลวงพ่อจึงนั่น่ะเข้าไปดูแลเข้าไปฟังไปอยู่ใกล้เพื่อจะได้เรียนรู้พอเราเข้ามาศึกษาเราไม่ได้มาเพื่ออยู่ในวัดเฉยๆเหมือนกับลิงข้างบางชนีน่นมาอยู่ในวัดนาคำน้อยมาอยู่กับหลวงโปอินกันยุ่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในห่าง วันนั้นเวลานั้นก็เข้ามาหลวงตาหลวงปู่ท่านบอกถึงยังไงมีอะไรเข้ามาเพื่อการเรียนรู้ศึกษาเราจะได้รับความรู้ต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะเดินําแนวความคิดของท่านากับคริยาของท่านที่ท่านแสดงออกไปนั่นะท่านแสดงอย่างไงดูด่าว่ากาวอย่างไร เราก็จะได้นำแนวปฏิปทาของท่านนำไปใช้ต่อไปภายภาคหน้าเพราะมันไม่ใช่แต่วันนี้วันเดียวนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปกับครูบาอาจารย์แต่บางท่านบางคงเา่าเออหลวงพ่ออินไม่เห็นเข้ามาหาบ้านตาดอพอหลวงตาโค้งสุดท้ายเนี่ยยังค่อยเข้ามาเนี่ยหลวงพ่อบอกว่า เ, เราไม่เคยไปบอกใครว่ะ วันนี้นะลุงปออินเข้าไปเนอะลุงพ่อไม่เคยบอกใครเนะี่ยถ้าอยากจะรู้นะก็นั่นนะสมัยก่อนท่านน้อยอยู่เออท่านน้อยจะรู้เพราะอยู่ใกล้หลวงตาเมื่อสมัยตัวมาท่านปิ๋วอยู่ท่านปิวนะนป๋วรู้ว่าหลวงพ่อเข้าไปแต่ลุงพ่อเนี่ยเข้าไปบ่อยเออแต่จะไม่เข้าไปตอนเช้าจะเข้าไปตอนบ่ายอตอนที่ท่านพักผ่อนแล้วนะบ่ายสามสี่โมงนะ ปบายายสองไปแล้วท่านอยู่ตามลําพังหลวงพ่อจะเข้าไปกลาบแต่เมื่อมีความจําเป็นหลวงพ่อก็เข้าไปในสมัยสมัยเมื่อท่านประสบอกบฏเหตุรถจนหลวงพ่อเข้าไปไม่มีใครเข้าไปในช่วงนั้นใครๆก็กลัวฮอกลัวหลงกลัวหลงตาแต่หลวงพ่อเนีเข้าไปดูแลอุปถรัรมภ์ประทับถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้เน่พะพระ ภายในวัดสมัยนั้นคงจะรู้ว่าเป็นอะไรหลวงพ่อยังมีการประชุมปรึกษาพวกน้องๆควรจะมีเวรยามกันเนอะควรจะดูแลกันศรัทธาญาติโยมก็ามาในช่วงนี้นี่อันนั้นช่วงนั้นหลวงพ่อก็ได้ปรึกษาหารือกันในพี่น้องวัดป่าบันตาดพอต่อมาพอท่านหายท่านก็ลงไปเปิดโครงการอท่านลงไปกรุงเทพหลวงพ่อก็กลับวัด ในคราวนั้นแล้วก็เปิดวันเดือนเมษานะลงไปท่านก็เปิดโครงการรับทองคําเข้าคลังหลวงที่สวนแสงธรรมหลวงพ่อก็กลับบัดรมาได้ไม่ได้นั่นแนหะท่านไม่เอาลงไปโดยมากท่านไปสาธารณะหนุท่านจะไม่ไม่ไม่หนีบหลวงพ่อไปด้วยนะนันหะลวงพ่อรู้นะรู้ท่านไม่เคยเอาหลวงพ่อไปในที่สาธารณะนะที่ว่าพระบางหลัง หลวงพ่อเป็นพระบางหลังหลวงตานะหลวงตาไ ม, ไม่จะไม่เอาไปแต่เมื่อหลวงตาป่วยป่วยวันที่วันที่สิบสองหลวงพ่อเข้าไปวันที่สิบห้านะพอหลวงพ่อลงไปพี่หมายครานะั้นก็ไปไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดูแลในช่วงโค้งสุดท้ายของท่านนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อเขาเมื่อคราวจาเป็นแล้วก็ต้องเข้าไปประจำ ถ้าเมื่อท่านอยู่ดีมีสุขอยู่ท่านไปมาได้เราก็เข้าไปเป็นครั้งคราว เ, าเพื่อไปรับนะโยบายแนวนะโยบายของท่านแต่เมื่อท่านมาอยู่วัดนาคําน้อยเนี่ยท่านก็ม า, าท่านก็มาแนะนําบอกกล่าวพวกเราพวกพระเนรในวัดของเราบางกันหลวงพ่อยังตุด่าให้พระหลวงตาไม่ใช่มาทุกวันในช่วงไหน หลวงตาจะมาเนี่ยหลวงพ่อบอกเลยในช่วงนี้หลวงตาจะมาเนอะให้พระของเราเตรียมตัวเนอะหลวงพ่อจะบอกคล้ายๆมันขึ้นขึ้นมาในเส้นของหลวงพ่อเหมือนกันนะเออขึ้นมาในเส้นของหลวงพ่อหลวงพ่อเหมนเหมือนกับหลวงตาจะมาวะหลวงพ่อก็จะได้บอกบอกพระเดชพระเดชก็ได้นี่แหละบางทีนอนไม่รู้จะตื่นกลางวันหลวงพ่อจึง ด่าพระอยู่ในเอ็มพีสามเปิดบางบางบางครั้งยังได้ยินอยู่ให้หลวงดหลวงหลวงหลวงพ่อดูพระนะแต่ตาไม่จิมกันหน้าดูนะเพราะเราเตือนแล้วนะฮยเพรไม่ใช่หลวงตาท่านจะมาทุกวี่ทุกวันพอท่านมาเนยะมีแต่ท่านมาให้ทาท่านมาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแล้วมาถึงยุคนี้สมัยนี้แหละเราจะหาได้ที่ไหนเออถ้าคิดนึกย้อนหลังโอ้หน้าเสียดาย สมัยนั้นมีแต่ปล่อยป่านละเลยฉเฉยเมยที่เมื่อท่านมาแล้วก็ทำท่าไม่รู้จักไม่รู้ไม่ชี้นะแต่พอมาปัจจุท่านจุดตินิพพานไปแล้วนะนึกเสียดายนะเะพราะความโง่ความโง่ของพระเนรในเมื่อท่านมาได้่ยทำไมไม่เข้ามามาฝึกมาฟังธรรมเทศนาของท่าน เ, เมื่อท่านทำมากับกิริยาจะสแสจแดงอะไรออกไป เราจะเด็นนำยึดแนวปฏิปทาของท่านถึงจะมีนิดหน่อยคำสองคำก็ยังมีกยังมีเป็นคำที่ประทับใจในใจของเราพรท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวนี่แหละหลวงพ่อว่าเกิดประโยชน์อยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าสัมมนานันจะทัศนังเอตมังครมุตตมังได้อยู่ใกล้สัมมนา คูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักพระธรรมวินัยจะหาได้ที่ไหนแต่บางท่านบางองค์ยุคนี้สมัยนี้ก็เถอะดูประวัติก็เถอะบางองค์สมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เห็นท่านเหมือนผีปอบกลัวหมอธรรมเหมือนผีปอบกลัวหมอธรรมพอเห็นหน้าท่านลบปับ๊บกลัวท่าน เอปีปอบผีปอบกลัวหมอธรรมหมอธรรมคล้ายๆหมอธรรมหรืหมอไล่ผีปอบใช่ไหมล่ะพอเห็นผีปอบเห็นหมอธรรมเลยหลบหลบหน้าหลบหลังกลัวกลัวหมอธรรมแต่งลูกหลวงพ่อไม่กลัวนะเวลาเข้าไปทุกครั้งเข้าไปถึงวัดท่านก็เข้าไปเลยอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ขี้อวดนะถือว่าหลวงตานะคือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เราเข้าไปเรามิตรธุระเราไปกราบไปไหว้ท่านมีอะไรก็ไปถวายสิ่งของท่านมันเกิดจิตุปัจจัยที่เกิดพามาภายในวัดของเราพอเป็นไปได้เราก็ถวายท่านเรายังไม่จําเป็นจะต้องได้ใช้เราพักไว้ก่อนเราไม่ต้องคิดสร้างให้ท่านพัฒนาก่อนถ้าท่าน ไปแล้วนะเราะย่คอยมาคิดทีหลังเห็นไหมนะล่ะหลวงพ่อเี็นเจ้าวัสร้างศาลาหลังนี้ทนาใหญ่แต่จับไหมนันกับดุลงตาโดนดุอีดุจากหลวงตาอีกต่างหากถ้าว่าหลวงตายังอยู่พื้นศาลางนี้ยังทำไม่ได้นะลูกหลานนะยังพื้นยังเก่าศาลา น, นอกก็ยังไม่มีถ้าหลวงตายังอยู่นะนี่แหละหลวงตาหลวงพ่อให้ความเคารพในแนวความคิดขององค์หลวงตาเอาทาไม เมื่อหลวงตาจากไปแล้วทำไมจึงสร้างแสดงว่าหน้าไหว้หลังหลอกสิหลวงพ่ออินเราต้องดูกาลเทศถ้าว่าเราไม่ทำมันจะมีที่นั่งไหมออถ้าเราพวกเราไม่โง่จนเกินไปพวกเราต้องต้องคิดอย่างนั้นอลวงพว่อดูต้องดูตามกาละเทศถ้าว่าเราไม่ทำไปไงมันแน่นไปหมดไม่มีที่จะนั่งเลยจะทำยังไงเราเป็นไปได้อยู่แต่อีกอย่างหนึ่ง ในเมื่อหลวงตายั ง, งทรงธาตุทรงขันอยู่คนศรัทธาญาติโยมเปหลังหลายไปที่นูน่นอแต่พอหลวงตาจุดตินี่ละพานไปแล้วก็ญาติโยมก็กระจายเฮ้ไม่ใช่กระจายรกระจายมามาที่วัดเราอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่มาทั้งหมดล็อกมาอีกกระจุกหนึ่งถึงจะ ก, กระจุกหนึ่งก็เถอะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอแต่พวกเราคงจะไม่ตําหนิหลวงพ่อหลวงพ่อทําไมโง่นัก สร้างสลาบักใหญ่ไม่มีใครมานั่งเลยสร้างสลาคางนอกไม่มีใครมาดูมาแลมานั่งเลยเออทําไมทําไม่ไมคิดไม่อ่านพวกลูกหลานทั้งหลายที่มาอยู่ใกล้หลวงพอ่อหลวงพ่อมั่นใจว่าลูกหลานคงไม่ตําหนิหลวงพอ่อย่างนไงเพราะอะไรเพราะมันแน่นเออมีแต่เออแต่ขนาดหลวงพ่อเองก็เลย ย, ยังชมหลวงพ่อนะลูกหลานนะยังยังชมหลวงพ่อโอ้หลวงพ่ออินคิดถูกว่ะเออที่ทําสาราข้างนอกเนี่ยถ้าไม่ทําเนี่ยตายตๆๆตายตายาจะทายังไงขนอัฒนานเข้ามาในสาลาหลังนี่เลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเอถังแก๊สระเบิดทําอาหารถังแก๊สระเบิดต้ำคนเหยียบกันตายเลยมันไม่มีที่ออกไม่ออกทางเดียวเผื่อๆตกน้ํำอีกต่างหากเพราะนี่แม่น้ําเออห้วยเป็น ทองอย่างนี้ยลำรางอยที่มันทางออกไปเลยไม่ใช่น้ำตื่นตนะื่นนะลูกหลานน่ะท่วมหัวมิดอย่างนั้นนะเอ่อแถาคนว่ายน้ําไม่เป็นตายตกน้ําตายอีตาหากนะักเนี่ยนี่แหละอันนี้หลวงพ่อคิดไกลถึงขนาดนั้นแล้วลูกหลานเพราะนั่นการจะทําอะไรออกไปเนะี่ยหลวงพ่อต้องได้คิดซะก่อนเอ่อไม่ใช่คิดหนึ่งสองสามนะคิดถึงสนะิบะพราะนับถึงสิบแล้วจะกลับมานับสิบหนึ่งนั่งนับหนึ่งอีกนะ นับไปถึงเดี๋ไปนับไปถึงสิบเลยนับไปถึงับมานับหนึ่งอีกเออแต่บางคนเก็เลยว่าหลวงพ่อละเอียดใช่ไหมหลว ง, งพ่อหลวงพ่ออิหนหรืหลวงพ่อละเอียดเขาว่างั้นนะแต่หลวงพ่อก็ไม่ว่าเพราะเห็ุอะไรบบางทิบางสิงบางอย่างหลวงพ่อก็ต้องคิดละเอียดถีท่วนพอสมควรบวกลบคูณหารพอสมควรแต่ไม่ได้ทําแบบสุมสี่ซุมห้าแต่ถึงยังไงในวัดของเราท่านเราจะสร้าง อาวอนวัตถุขึ้นมาได้ไหมได้เป็นไปได้แต่ว่าขนาดที่พอเราเป็นพระป่าเอาเถอะเรายึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีศาลาก็มีที่พักพาอาศัยพอสมมาสมควรสะดวกสบายพอสมควรตามอัตภาพนะถ้าไดจะตุปัจจัยที่มันเหลือได้มาโดยเป็นธรรมล้วก็แจก ให้โรงเรียนบังสร้างอาคารเรียนบังเครื่องมือแพทย์บังอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนะ่นเออบางถึงบางอย่างเราก็ประกาศไปบ้างบางทีก็ไม่ประกาศบางังสงเคราะห์อนุเคราะห์ตามโรงเรียนต่างๆที่มีความจำเป็น น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือการสงเคราะห์สรุปแล้วก็คือเนี่ยนะเราพยายามดูฝึกกับพ่อก่อกับครูนะ เมื่ออยู่กับครูเราก็ไม่กลัวกลัวธรรมะของท่านเคารพอย่างสุดซึ้งในแนวความคิดของท่านแต่เราไม่ได้กลัวจนไม่เข้าติดเข้านนหน้าไม่ติดไม่ใช่เราเข้าไปได้ท่านจะดูต า, าว่าก่าวเราก็ยอมอไม่ใช่แบบผีปอบกลัวหมอธรรมพอหมอธรรมไม่อยู่ท่านก็พยองพองตัวท่านนั้นท่านี้ท่านนี้ท่านนั้นสแสดงฤทธิ์แสดงเลดเด็ดแต่สมัยเมื่อท่าน อยังอยู่นะกลัวยิ่งกว่าอะไรไม่มีปากมีเสียงเลยการนั้นมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อวาดพวกเราท่านทั้หลายก็เหมือนกันนะลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยนะเนี่ยองค์ไหนก็ตามเอพอมาเห็นหลวงพอ่อหลวงพ่อดุกลัวฮเอปัดต่อไปภายภาคหนานะ้าเนี่ยท่านั่นประทานี้ลรล่อลูกบ่หลอเหรียญบ่หลออะไรต้อไม่อะไร หาอยู่หากินออกนองลูกนอกทางตะคอยดูกันนะพวกเราทันทั้งหลายนะพอลูกศิษย์ลูกหาหลวงพอ่อมีหลายคู่หลายโคนหลายองค์นะ่ะศรัทธาญาติโยมก็นมองมองดูที่หลวงพ่อพูดนี่นะเออมันเป็นอย่างนั้นไหมไม่มีที่จะขายขายหลวงพ่ออินขายเหรียญหลวงพ่ออินกินนะมันแย่อแสดงว่าไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไม่มีหลักพธรรมวินยัยอยู่ในจิตในใจเอขายครูบาจานกินเออที่เห็ ว, ว่า พอขายได้ก็ขายแล้ววะพอเราจนเนี่ยเออจะขายหลวงพ่อกินไม่เป็นไรหรอกนะไม่มีใครว่านะเอหลวงพ่อมีเมตตาอยู่แล้วจะขาอย่างงั้นเหรอไม่ได้นะเหลวงพ่อเนี่ยสิ่ไงไหนก็ตามมันไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยมันไม่ถูกตามทํานองครองทำแล้วไม่ทอหลวงตามหมาบัวนะเหรียญของท่านท่านไม่อนุญาตนะที่ทําทําไปนะั่นก็ทําไปอย่างงั้นละ อไม่มีหรอกที่อนุญาตแต่ยินอนุญาตมีน้อยมากมีแต่เหรียนเท่าแก่สมหมายอยันที่ลุงพ่อไม่ได้ยินจากปากจากคําของท่านอีกต่างหากแต่ได้ยินจากเท่าแก่สมหมายว่าลวงตาอนุมัติอนุญาตเพราะผมขอท่านหล่อเพื่อเอามาบรรจุบนยอดพระเจดีย์อันนี้ก็มีเหตุผลหลุงพ่ อ, อท่านคงจะอนุญาตถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะ เ, เพราะว่าเท่าแก่สมหมายไม่ได หล่อมากลมาซื้อมาขายไม่ได้เอามาขายหลวงตาเพราะอีกอย่างหนึ่งเขาก็ขายข้าวก็พอเป็นพอไปอยู่แล้วจะมาหาขายหลายเหรียญของหลวงตาเนี่อหลวงตาก็คงอนุมัติให้เขารอเหรียญเพื่อบรรจุยอดพระเจดีย์เพราะเขาจะออกทุนอยู่แล้วจากนั้นก็มีขึ้นมาแต่ท่านก็เน้นว่าเออถ้าว่ามึง จะทำก็ทําแต่ว่าทามันก็ทํำเหลือๆไปก็ได้แจกคู่คนที่ อ, อรู้จักมักคุนะ้นท่านก็พูดแบบเยบเย็เปิดทางให้แต่ถ้าว่าปิดอย่างเดียวแล้วก็มีแต่เอาเข้าอย่างเดียวเพราะว่าหลวงตาสั่งคําไหนก็ต้องเป็นคํานั้นลูกศิษย์ต้องเคารพในคําสั่งคําพูดของท่าน อ, อแต่บัดนี้ อ, อท่านได้สั่งได้บอกอย่างนั้นแล้วนะ อออืเท่านเขาเคารพตามกติกำตามกฎท่านก็มีเหรียญมาแจกให้พวกเราทั้งทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนะนี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แนวแถวเ อ, อครูบาอาจารย์อืถ้าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวให้ฟังนะถ้าหลวงพ่อแก่ไปก่อนนี้หลวงพ่อคงจะไม่พูดนะแนวปฏิปทา อครูบาอาจารย์แต่ถ้าหลวงพ่อยังพอพูดได้หลวงพ่อกันนะบางทีมันสัมผัสขึ้นมาก็ต้องพูดให้ฟังแต่สรุปแล้วนะี่ยอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อย่าเป็นเป็นเอผีปอบกลัวหมอธรรมสรุปแล้วนะเผีปอบกลัวหมอธรรมหมอธรรมเลยคือหลวงตาเป็นหมอธรรมใช่ไหมล่ะมีไล่ผีเนะี่ยตัวเองก็เออมีความผิดอยู่เลยพอเห็นอะก็กลัวไม่กล้าสู้หน้านะ พอเห็นทิศไหนก็หลบพอท่านไม่อยู่ท่านนั่นแหละวดท่านั่นท่านนี่ดููแล้วมันยังไงยังไงมันไม่ถูกนะพวกพระเนียนทุกองนะฟังๆเอาไว้นะต่อไปรับผ่อนทันนีนะตรงวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา